กฎของสังสารวัตรมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าพระทิปฏิบัติจนเข้ากระแสพระนิพพานแล้วจะไม่สึกแล้วใช่หรือไม่หลวงพ่อให้คำอธิบายไว้ดังนี้จะไม่สึกแล้วแม้แต่ว่าเพียงแต่มีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อกรรมและผลของกรรมเท่านั้นจะสึกไม่ได้แล้วแม้จะไม่เป็นพระอริยะบุคคลก็ตามสึกไม่ลงแล้วถ้าสําเร็จขั้นพระโสดาบันยังไม่สําเร็จพระนิพพานก็ต้องมาเกิดอีกพระโสดาบันเนี่ยมาเกิดอีกอย่างมากเจ็ดชาติปราสกิธทธาคาก็ยังต้องมาเกิดอีกพระอนาคาคาไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกบำเพ็ญเพียรต่อสําเร็จอยู่ที่ตรงนั้น ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระพรหมชั้นอนาคาเป็นรูปประพรหมพระพรหมชั้นพระโสดาบันผู้ที่สำเร็จชั้นอริยามรรคอริยผลแล้วก็เป็นรูปประพรหมพวกเนี้ยไม่เป็นเป็นอรูปประพรหมส่วนใหญ่พระโสดาบันนี่ไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตพระอนาคาจะไปเกิดในสวรรค์ต้องขึ้นสุดทาวาดหคือรูปประพรหมเป็นอัตโนมัติ อวิหาอตตป่าสุท ธ, ธาสสุทธสีอการนิฐาอายตนะต้องดึงดูดไปที่นั่นแน่นอนมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งการตรวจสินคือการภาวนาะ พิจารณาตรวจศีลของตัวเองให้มากๆากิจวัตรของพระสงฆ์นี้ก่อนอื่นเวลาท่านนั่งสมาธิผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องท่านจะกําหนดตั้งแต่ท่านตื่นขึ้นมาว่าท่านได้ละเมิดศิกขาบทวินัยข้อใดถ้าท่านคล่องใจอยู่ที่ตัวไหนว่าอาจจะละเมิดศิกขาบทวินัยข้อนั้นท่านจะปรองอาบัตทันทีการตรวจศีล น, นี่ก็คือการเจริญสมาธิเอาศีลเป็นหลักสําคัญ ถ้าเรามั่นใจว่าสีนของเราบริสุทธิ์แท้จริงแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิน้น